นี yes. prayer, ่เรื่จะถามเลยการเร่องอะไรจะถามเลยเวลาเราปฏิบัติแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ทีนี้ไปลาเราเกิดนี้อยู่ในชาตินี้แล้วเราไปเกิดใหม่มันหมดไปหมดเลยหรือว่าต้องไปเริ่มตอนนี้ใหม่คมันก็แล้วแต่ว่าเรา มันติดไปกับเรามากน้อยมันเป็นเหมือนนิสัยถ้าเราทำมันมากมันก็จะติดไปกับเรามากถ้าทำไปน้อยมันก็ติดไปน้อยมันเป็นเรื่องของการกระทาทำอะไรแล้วมันก็เกิดความชำนาญ<ม>เกิดความเป็นนิสัยขึ้นมาเช่นถ้าเรารักษาศีล ได้เป็นประจํามันก็จะติดเป็นนิสัยไปไปเกิดต่อไปเราก็จะรักษาศีลเราจะไม่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเราทําบุญเป็นนิสัยเวลาเรามีโอกาสทําบุญในภายภาคหน้าเราก็จะทําบุญถ้าเราดื่มสุราเป็นนิสัยเวลามันไปอยู่ที่อื่นเวลามีสุราดื่มมันก็จะดื่ม การกระทําต่างๆนี้มันเป็นนิสัยที่ดีก็ได้นิสัยที่ไม่ดีก็ได้อย่างคนเราทุกคนมาเกิดนี่เราก็มีนิสัยเดิมติดตัวมาคนเราจึงมีความสนใจเรื่องการกระทํำที่ไม่เหมือนกันคนบางคนก็สนใจไปในทางศิลปะบางคนก็สนใจไปในทางวิทยาศาสตร์ บางคนก็สนใจไปทางศาสนาเหมือนกับถ้าเราถนัดมือขวาเราก็จะไปใช้มือขวาไปเรื่อยๆไปเกิดกิจชาติก็จะใช้มือขวาถ้าเราถนัดมือซ้ายเราก็จะใช้มือซ้ายอันนี้มันเป็นอะไรก็ตามที่เกิดจากการกระทำมันจะทำไปแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไป ทีนี้มันจะติดมากติดน้อยก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยถ้าทำน้อยเช่นดื่มสซดาไม่ประจาบางเวลาก็ดื่มบางเวลาก็ไม่เดื่มนี่มันก็จะเป็นนิสัยแบบนั้นไปก็คือจะดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างถ้ามันดื่มเป็นประจามันก็จะติดนิสัยไปมันจะดื่มเป็นประจาถ้าเราเคยนั่งสมาธิ เราก็จะนั่งสมาธิเวลาเรามีโอกาสเราก็จะนั่งสมาธิบา ท, ทีเราลืมแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาสอนสมาธิเราก็พอเราไปเรียนทบทวนดูกับเข า, เ, ขาเราก็สามารถนั่งสมาธิได้เลยคนที่ไม่เคยนั่งพอไปนั่งเหมือนก็น่งนั่งไม่ได้เพราะไม่เคยนั่งมาก่อน ันเรื่องของนิสัยและเรื่องของความชอบไม่ชอบเราชอบอะไรมันก็จะติดตัวไปเราไม่ชอบอะไรมันก็จะติดตัวไปเช่นเราชอบสีเขียวสีฟ้าเราก็จะชอบสีเขียวสีฟ้าไปถ้าเราไม่ชอบสีสีเหลืองสีอะไรเราก็จะไม่ชอบมันเหมือนกับอาหารรูปเสียงกลิ่นรสต่าง แต่ละคนนี้มีความชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันเพราะในอดีตมีความชอบมาไม่เหมือนกันมันก็เลยเวลามาเกิดถึงแม้มาเกิดกับพ่อแม่คนเดียวกันแต่มิสัยใจคอจะไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาอา จ, จะเหมือนกันอาจจะเป็นฝาแฝดนี่แต่ใจมันไม่ได้มาจากที่เดียวกัน ใจไม่ได้มาจากพ่อแม่เหมือนกับร่างกายใจมาจากอดีตชาติที่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่พราะีฝาแฝดมีสองล่างก็เลยมีใจสองใจมามาเอาไปคนละร่างทใจสองใจนี้อาจจะมาคนละทิศคนละทางมาจากคนละแหล่งกันหนึะคนหนึ่งอาจจะมาจาก สมมุติยกตัวอย่างมาจากลาสเวกัสนี้ก็จะมาชอบกินเหล้าเล่นการพนันไอ้คนหนึ่งก็มาจากวัดยานี้ก็จะไปชอบไปวัดไปทำบุญไปรักษาศีลอันนี้มันติดตัวไปของพวกนี้มันติดตัวไปอย่างที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสินี้ก็เป็นสิ่งที่ติดตัวไปเช่นเมตตาบารมี มีความเมตตาเป็นคนที่มีไมตรีจิตคือไม่ได้เห็นไม่ได้คิดร้ายไม่ไม่ได้ดุร้ายไม่ผ่อนร้ายท่ารุนกับใครมีแต่ความปรารถนาดีบางคนก็โหดร้ายทารุนชอบกันแกล้งชอบเบียดเบียนชอบอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีเมตตาทานบารมีก็ชอบทําบุญ ตอนที่เป็นพระเวชสันดรก็มีใครขออะไรก็ให้ชอบให้ไม่ชอบไม่ชอบเก็บข้าวของเงินทองอะไมีอะไรก็อยากจะให้คนอื่นศีลบา ร, รมีก็เนี่ยเคยรักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลห้าเวลามาจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดตัวเองนี่ถ้าเคยสร้างเนกัมมะ บารมีก็คือเคยเข้าวัดถือศีลแปดปฏิบัติเนี่ยนี้ก็เรียกว่าเนคขม ะ, ะก็จะถ้ามีโอกาสก็ชอบไปปีกวิเวกไปหาที่สงบที่เงียบเข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้ามีอุเบกขาก็คือมีความเป็นกลางใจใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจจะเฉย เป็นคนที่มีความหนักแน่นไม่ใช่วุ่ว่าคนที่ไม่มีเนไม่มีอุบเบกขาเนี่ยมันจะวูกว่าจิตใจอะไรมาสัมผัสกระทบหน่อยก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแต่คนที่มีคอยฝึกสมาธินั่งสมาธิได้ใจจะเป็นใจเย็นใจเฉยๆไม่โลภโมโทสันแล้วถ้าฟังเทศฟังธรรมศึกษา ก็จะเป็นคนที่ฝ่รู้ฝ่ายศึกษาเป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ถ้าเรายังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดคุณสมบัติที่ดีและไม่ดีมันก็จะติดตัวไปกับเรา เป็นคุณสมบัติไม่ดีมันก็จะผลักให้เราไปในไปกระทะาสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ต้องไปรับผลของการกระทำที่ไม่ดีเวลาตายก็ไปเกิดในที่ต่าไปเกิดในอบายแต่ถ้ามีคุณสมบัติที่ดีติดตัวไปทำบุญทำทานรักษาศีลเวลาตายไปก็จะไปรับผลที่ดีคือไปเป็นเทศไปอยู่เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆ นถ้าใดคุณธรรมที่พาให้ไปถึงเมตระนิพพานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอย่างเจ้าชายสิทธัตถานี่ในอดีตชาติท่านได้สร้างบารมีต่างๆมา ท, ที่ที่เรื่องพระเจ้าสิทธชาตินี่ก็คือชาติสิชาติสิทชาติที่พระเจ้าได้ส่งบำเพ็ญบารมีสิประกาศพระ เ, เวสันดรก็บังเพนทานบารมี พระมหาชนกก็บำเพ็ญวิริยะบารามีทางขยันหมั่นเพยียรพระเตมีก็ลองบำเพ็ญอุเบกขาบารมีคือจะนิ่งเฉยจะไม่ตอบโต้จะไม่อะไรกับใครใครจะโกดธใครจะทำอะไรท่านก็เฉยสัตย์แตว่ารู้ไปอันนี้พอมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถาก็ขาดบารามีอันสุดท้ายคือปัญญาบารามี ก็พอถึงเวลาก็ออกบวชได้เพราะมีศีลบารมีมาพักนั่นทั้งที่พ่ออยากจะให้อยู่เป็นม า, าจั ก, กรพัฒน์แต่ท่านไม่ชอบค่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบทําสงครามท่านกายอยากจะไปออกจากการแก่การเจ็บการตายก็เลยเห็นเป็นพระเป็นวิธีเป็นนักบวชก็เลยออกบวชง่ายจะไม่เป็นคณะ ลูกของพระเจ้าแผ่นดินทิ้งทุกอย่างได้ไปอยู่แบบขอทานได้ก็ดูว่ามีบารมีขนาดเคยเคยอยู่แบบนี้มาก่อนเนี่ยดีตชาติเคยเป็นนักบวชมาก่อนเคยถือศีลแปดมาก่อนเคยนั่งสมาธิจิตรวมมาก่อนจึง ท, ทำให้การสละความสุขทางร่างกายนี้มันง่าย พราะผู้ไปบวชนี้ก็ต้องการไปหาความสุขทางใจหาความวิธีการดับทุกข์แต่ในช่วงที่ทรงบําเพ็ญ น, นั้นไม่มีใครรู้จักวิธีดับทุกข์อย่างถาวรรู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบความทุกข์ต่างๆก็สงบตัวเชื่อข่าวแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ มาคิดถึงเรื่องของร่างกายของตนว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็ยังรู้ว่ายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดเฉพาะกระดานั่งสมาธิไปนั่งสมาธิจิตสงบไม่ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะตอนนั้นจิตไม่ไปรับรู้เรื่องของร่างกายแต่พอออกมาจากสมาธิมารับรู้ เรื่องของร่างกายก็เกิดความวิกตกกังวลห่วงใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของร่างกายนี้แล้วก็ไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไนดะ้เรางก็เลยต้องค้นคว้าหาตอนต้อ ง, องคิดว่าต้องต้องทรมานร่างกายไม่กินข้าวอดอาหารออาหารสี่เก้าวันความกลัวตายความกลัว แก่ความเจ็บมันก็ยังอยู่ ท, ทั้งที่ยอมตายยอมอดเนี่ยแต่ความกลัวมันก็ยังมีอยู่ก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความกลัวนี้มันอยู่ที่ใจก็เลยคยนเข้าไปหาค้นหาสาเหตุก็เจอว่าความกลัวก็เกิดจากความอยากไม่ตายนั่นเองอยากอยู่อยากไม่ตายก็เลยทำให้กลัวตาย ทุกข์กับความตายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บแต่ถ้ามองสาภาพความเป็นจริงของร่างกายก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปฝืนมันไม่ได้พอปลงยอมตายได้ยอมแก่ได้ยอมเจ็บได้ก็หายทุกข์ ก็เลยเห็นว่าทุกนี่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่อยากหรืไม่อยากมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีถ้ายอมให้มันแก่อยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายก็จะไม่ทุกข์นั่นก็เลยพบอริยสัจสี่พบว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากความอยากนะครวิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็คือต้องไม่ มองความจริงมองความจริงของสิ่งที่เราไปอยากด้วยว่ามันจะเป็นไปตามอยากได้หรือไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่จ็บไม่ตายได้หรือไม่ไม่ได้อยากไปก็ทุกไปก็เปล่าก็ยอมให้เขาเจ็บให้เขาแก่ให้เขาตายเช่นเราลากใครเขาเยะเขาจะจากเราไปก็ไม่จะอยู่เขาไม่ขออยู่กับเราถ้าเราไม่ยอมให้เขาไปเราก็จะทุก ถ้าเราอยากให้เขาอยู่แต่เขาไม่อยู่แต่ถ้าเรายอมไม่ก็ไปอ่ะคุณอยากจะไปก็ไปเช่นแฟนนุสภรยาันดีคนดีเขาก็อาจจะมาบอกว่าฉันเบื่อคุณแล้วฉันจะไปอยู่ฉันคนเดียวไปอยู่กับคนอื่นถ้าคุณนักคุณห่วงเขาคุณก็ไม่อยากให้เขาไปพอเขาจะไปคุณก็ทุกข์แต่ถ้าคุณมองว่าเป็นชีวิตของเขาเราบองคับเขาไม่ได้ เขาจะไปก็ไปไปล่อยก็ปล่อยถ้าปล่อยยอมรับความจริงว่าเขาจะไปก็ให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์เหมเงินทองนี่ก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยด้วยความยินดีเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ปล่อยเวลามันไปเราทุกข์ในเงินทองที่เอามาทําบุญนี่เราเรายินดีปล่อยยินดีให้มันไปจากเราเราไม่ทุกข์ แต่ถ้าเกิดขโมยมาขโมยเงินก้อนนี้ไปนี้เราจะทุกเพราะเราไม่อยากให้ขโมยเรายังไม่อยากให้ไปแบบนั้นนั่นก็คือการพิจรารณาของพระเจ้าจนพบอริยสัจสี่บอกความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยมาครอบครองเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง สักวันหนึ่งก็จะต้องมีการพักๆจากกันไปแม้ว่าจะแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายเขาคนอื่นก็ไม่ใช่ของเราลูกเราภรรยาเราพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราก็ไม่ใช่ของเราไม่เทีย่ยวเขาก็ต้องไปถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเขาปล่อยให้เขาไปเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไปอยากไม่ให้เขาไปเราก็จะทุกข์ เพราะไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมไม่ยอมมองความจริงพระเจ้าขุนสอนให้พวกเรามาดูความจริงกันแล้วดูบ่อยๆไม่ให้ดื้อเชนร่างกายนี้ท่านสอนให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องมีการพัดพากจากกาันเป็นธรรมดา ลงพน้นพกรารพลาพลาดจากกันไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆเพราะเราชอบลืมกันพอเราไม่คิดปป๊บเราก็ไปอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะพอเขาไปก็เสียใจแต่ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆจะไม่หลงไม่ลืมปล่อยวางได้ตลอดเวลามันก็จะไม่ทุกเวลาที่เขาจะไปเวลาไหนก็ได้พอให้เขาไปได้ทุกเวลาตั้งแต่ เขาเกิดมาเลยจะมีลูกนี้คนจะพิจารณาได้แต่วันเกิดของลูกเลยว่าเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอาจะต้องพัดพากจากเราถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเกิดเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกขแต่ไม่มีใครคิดอย่างนี้กันเลยนะพอมีลูกเกิดขึ้นมาก็โอ้โหหลงหลายข้ามคล้ายรักอยากจะเลี้ยงให้ลูกโตอยากจะเลี้ยงให้ลูกดีอย่างงู้นอย่างนี้ไป พอลูกเป็นอะไรขึ้นมาหน่อยก็เตือนแก่นตกใจงนะแสดงว่าที่ท่านอาจาจรย์สอนนี่นะครับคำสอนที่ท่านสอนเนี่ยคือเราเวลาเรามาปรับใช้ตัวเราเองแปลว่ามันเหมือนที่ท่านเคยบอกว่าเหมือนเราตั้งผูกแกลมในจิตเราเนี่ยหมายเช่นยกตัวอย่างเช่นอะเป็นครับเรียนทัศนคติมหม่มองโลกในแง่งความจริงอย่าไปมองในโลกตามความอยาก ตอนนี้เราเรามองโลกในทางความอยากอยากให้มันดีอยากให้มันเจริญอี่อยไม่อยากให้มันเสือ่อมไม่อยากให้มันวุ่นวายไม่อยากจะให้อะไรต่างๆใช่ว่าการปฏิบัติที่ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือการแย่งนาด้วยปัญญาคือมี่ขึ้นเพื่อมาเปลี่ยนทัศนคติที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะจะไม่มองไม่เหมือนกันหรอกครับใช่แต่พอมามองในทางธรรมะเนี่ย ความเป็นจริงก็คือทุกอย่างเป็นสุขแทุกขรังนิจังอัตตาแต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยมองให้มันเป็นสุขครั้งนิจังอัตตาอทุกคนมองแบบนี้ใช่แพราว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนสติโดยการไปพิจารณาความจริงความจริงแล้วก็ให้มันเข้าไปประทับอยู่ในใจเราแล้วเอามาใช้อเหมือนกับเวลาท่านสอนให้พิจารณาอุศุกเนี่ย เวลาผมก็ไปดูในยูท b e เวลาเขาผ่าเสร็จแล้วจําให้ภาพพวกนี้มาว่าเวลาเห็นนี่ก็ให้นึกถึงให้เอาไว้ว่ามาแก้ความเข้าใจที่มันอยู่คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือคือวัตถุประสงค์เนี่ยคือมาเปลี่ยนทัศนคติในทุกๆเรื่องคือทัศนะของเราเกิดเรามองโลกในแงยในในมุมผิดเนอะมอง มองภาพิดมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรามองเห็นมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามและการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยก็แปลว่าเพื่อฝึกให้จิตมันเข้มแข็งว่าถ้าเวลามันเห็นรูปปุ๊บถ้าเราสมาธิเราดีเนี่ยจะนึกกลับไปอุศุขแนเ่เลว แต่ถ้าสมาธิเราไม่ดีเนี่ยมันไหลมันไปกับสิ่งที่เห็นความคิดปรุงแต่งไปเราต้องนั่งมาหยุดความคิดปรุงแต่งด้วยการนั่งสมาธิเ <ğin> วลานั่งสมาธิเราจะหยุดความคิดปรุงแต่งได้หรือแม้ตอนที่เราไม่ได้นั่งแต่เราเห็นรูปที่พอใจเนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิดีเราจะสามารถดึงเอาไว้ไออูดสุขที <urf você S 1> ่เราเคยเพียรานเอากลับมาใช้ด้วยเร็ว อ, อันนี้ถูกไม่ถูกครับกะนั้นแหะถ้าละมานเลยมันก็ดับ ความอยากได้ถ้ามาไม่เร็วมันก็ยังอยากอยู่ยังหลงอยู่ยังเห็นว่าสวยว่างามอยู่พอเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันก็จะหยุดได้เราต้องมองเหมือนกับเป็นเหรียญเหรียญมันมีสองด้านแต่แต่เราชอบมองด้านเดียวเราไม่มองอีกด้านหนึ่งเราเราคิดว่าเหรียญจะมีสองด้านนี้จะเหมือนกันเ้าคิดว่าเหรียญทั้งเหรียญจะมีด้านมีมี เหมือนกันไอคอนย์พอเราพลิกมันขึ้นมาถึงจะเห็นว่ามันมันเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งอาจจะเห็นแต่เจเราอาจะไม่เห็นมันเสื่อมเราจะเห็นว่ามันสวยงามแต่ก็ไม่เห็นว่ามันไม่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามเรามองไม่เห็นรู้สึกได้ว่าใช้หลักการที่ท่านสอนเนี่ยเือพิจารณาเกิดเป็นอย่างเช่นอยากได้เงินเพราะขยันได้เงินพอขยันได้เงินนก็มีทุกข์แล้วก็ไม่จบ จะได้เี้ยไปได้อีกแล้อไม่จบอยู่แล้วนะแสดงว่านั้นน่ะมันมันเปลี่ยนโปรแกมซะใหม่ในในจิตเราว่ายังไงมันก็ไม่เที่ยงหรอกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วมันทุกข์มันไม่สุขจริงแล้วมันสุขปลองมันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็วิ่งไม่หยุดมันยาเสพติดเสพยาเสพติดมันสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวแต่มันเติดเราติดแล้วเวลาไม่ได้เสพมันทุกข์ ไม่เห็นทุกข์เห็นแต่สุขอพอมันไม่มีเศษมันก็ทุกข์พอเงินหมดก็ทุกข์พอเงินไม่พอใช้ก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าเราเห็นมันเป็นทุกข์ตลอดแสดงว่าเราจะเริ่มปล่อยเพราะมันเห็นไม่เพราะมันไม่เห็นประโยชน์ของมันอีกแล้วใช่มันไม่ได้เป็นสุขการจะปล่อยได้เราก็ต้องมีความสุขอย่างอื่นมารองรับ ความสุขอย่างอื่นที่มาเรานับได้ก็คือความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิอวอเวลาเรานั่งสมาธิจิตสงบเราจะได้พบความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการได้เงินทองได้ทํอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีความสุขอัอนนี้เราก็ยังทิ้งความสุขเก่าไม่ได้เราถึงต้องมีสมาธิก่อนเราถึงจะใช้ปัญญามาไมาตอนนีย า, ยากครับ เพราะว่าแต่ปัญญาสมาธิที่ท่านเดยสอนมันไม่ได้มางง่ายง่ายนะสิปัญญามันมันฟังแล้มันง่ายกว่าแต่ปัญญาแบบนี้มันเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เอามาละเอามาปล่อยสิ่งต่างๆที่เรายึดติดไม่ได้เพราะเรายัางยังอาศัยมันให้ความสุขกับเราเหมือนแกว่าเราอะอย่างน้อยวันนี้ยังสุขเดี่ยวเริ่มทุกข์ช่างหัวมันวันนี้ มีเงินใช้ก็ใช้มันไป ก, ก่อนมีความสุขกับ ก, การใช้เงินไม่มีเงินก็ค่อยไปหามันมาใหม่ก็ยังติดอยู่กับการที่จะมีเงินแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจมีความสุขได้เราก็เอนั่งสมาธิสุขกว่าหาเงินไปหาเงินให้เหนื่อยทำไมก็ไม่หาเงินดีกว่ามานั่งสมาธิดีกว่าถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้ยังหาความสุขจากการนั่งสมาธิไม่ได้ มันก็เบื่อนั่งเดี๋ยวเดียวมันก็เบื่อมันช่้ยไปนั่งดูทีวีดีกว่าซ่้ยไปนั่งกินเหล้าดีกว่ามันจะเป็นอย่างไางเห็นถ้าเรายังไม่มีความสุขใหม่ที่เกิดจากการนั่งสมาธิเราก็จะเสื่อความสุขเก่าไม่ได้เหมือนกับถ้าเรายังไม่ได้ซื้อรถใหม่เราก็ต้องขับรถเก่าไปก่อนรถเก่ามันจะโกโลโกโสน ย, ยังไงมันก็ยังพอวิ่งไปไหนมาไหนได้ แต่ถ้าเราซื้อรถใหม่มามันดีกว่ารถเก่าแล้วสเก็บรถเก่าไว้ไหมเปลี่ยนรถใหม่ได้ลถใหม่นะเอารดใหม่ดีกว่าความสุขใหม่ความสุขแท้จริงความสุขที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะเห็นว่าความสุขที่ได้จากรูกเสียงจิตรถ น, นี่มันเป็นบรญยาเสุขติดนะเสยเศรษฐะไหลก็ไม่พอก็ทิ้งมันไต้ เมื่อเรามีความสุขที่ให้ความพอกับเราไม่ต้องไปหาปเพียงแต่นั่งเฉยๆทาใจใสงบ ม, มันก็เกิดขึ้นมาแล้วง่ายกวก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายที่มีตัวแปรเยอะแยะไปไหนจะต้องมีเงินไหนร่างกายจะต้องแข็งแรงไหนจะสิ่งที่เราอยากจะดูจะฟังมีให้เราดูให้เราฟังให้เราซื้อมาดูให้มันยุ่งยากกว่ากัน ความสุขที่ได้จากการนั่งเฉยๆทาใจสงบนี่มันง่ายกว่าถ้าเราทําได้แล้วไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวออกไปนอกบ้านความสุขทางตาหูจมูกนิ้กาลางอะไรเอานอกบ้านกต็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมเงินเตรีย ม, ยมทองเตรียมอะไรไปบางทีก็ต้องมีพวกมีเพื่อนไปด้วยไปคนเดียวมันก็เหงาอีกไม่สนุกอีกโอกาสเพื่อนไม่ยอมไปแล้อไม่ว่างก็ไปไม่ได้ ตัวแปรมันเยอะเง <c oughs> ื่อนไขมันเยอะกว่าเงื่อนไขที่นั่งสมาธินจนจกตบรวมได้แล้วก็จะทิ้งทุกอย่างได้แล้วพอพิจารณาด้วยปัญญาว่าอมสิ่งที่เราทิ้งนี่มันก็มันก็เป็นทุกข์ดีๆนี่เองแต่เรามองไม่เห็นทุกข์พต้องแสวงหาทุกข์เพราะต้องรักษาทุกข์เพราะสูญเสียเนี่ยมันมันมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นเลย พออยากได้ก็ทุกข์ละอยู่ไม่เป็นสุขละเวลาไปหาก็ทุกข์ละเหนื่อยยากกว่าจะได้มาได้มาแล้วก็ต้องรักษาก็ทุกข์อีกกังวลเนี่ยกลัวมันจะหายแ้่เดี๋ยวพอมันหายก็ทุกข์อีกพอมันดับก็ทุกข์อีกเพราะสักวันหนึ่งก็ต้องดับต้องจากกันอยู่ดีให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่ของเรา มาเอาความสุขที่เกิดจากความนั่งสมาธินี่ดีกว่าเพราะมันเป็นของเรามันเที่ยงอันนี้แหละก็ เ, เรียกว่าแต่สุขที่ได้จากสมาธินี้ก็ยังไม่เที่ยงเพราะมันจะสุขแต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิแตถ้าเราได้สุขที่เกิดจากการญญได้จากปัญญานี่จะเที่ยงจะถาวรเพราะปั ญ, ญญาจะกําจับตัวที่จะมาทําให้ใจไม่สงบคือความอยากของเรานีย พอเกิดความอยากปัญญากขาบออยา่าอย่าไปทําตามพอเราไม่ทําตามมันความอยากมันก็จะเฉาไปหมดกําลังไปพอหมดหมดกําลังก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายสร้างความาหงุดหงิดําคาญใจให้กับเราเราก็จะอยู่เฉยๆไปได้อย่างสบายความอยากเกี่ยวกับร่างกายก็ไม่มี ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่วุ่นวายไปกับร่างกายร่างกายคนอื่นก็ไม่มีความอยากที่จะให้เขามาเป็นแฟนเราเพราะเห็นทั้งภายในของเขาแล้วก็อก็ไม่ไม่น่าดูมันน่าดูแต่เฉพาะอยู่ข้างนอกเทนั้นเวลาแต่งหน้าทาปากแต่งเนื้อแต่งตัวเขาเวลาดูตอนที่นอนตื่นขึ้นมา ที่ตาติดตาดูผมเ้าไม่วุ่เอเรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวล า, ห ร, ว า, วลาหรือว่าดูเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังก็ได้นั่นกายเรามันยังมีอะไรเยอะแยะที่เรามองไม่เห็น mm hmm. เอาไวยว่าต่างๆมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้มีสมองมีน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลือง น้ำเงือน้ํามันข้นน้ํามันเหลวอะไรต่างๆแ ย, ๆย่ๆไปหมดถ้าลองนึกภาพของอาการหนาดีแล้วมันก็บอกว่ามันมันไม่น่าดูเลยก็เหมือนรถยนเนี่ยมันเขาทำให้มันดูสวยจากข้างนอกเนี่ยถ้าไปเปิดฝากระโปรงก็ไปดูข้างในโอมีอะไรแ ย, ๆๆย่ๆแยหมดไม่น่าดูเลยเราต้องถ้าเราต้องการที่จะแก้ความหลงเราก็ต้องมองความจริง ที่มันถูกโตรกไว้ที่มันถูกหนังปิดเอาไว้หนังเราหุ้มห่อไว้หมดเจึงทําให้เรามองไม่เห็นถ้าเราสามารถทําหนังให้เป็นเหมือนถุงพลาสติกได้ก็จะเห็นชัดเลยใช่ไหมถ้าหนังมันใสเหมือนถุงพลา ส, สติกนี่มีใครอยากจะชอบกันไหมเห็นหน้าเห็นหน้าก็เห็นกะโหลกศีรษะเนี่ยกะโหลกศีรษะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใต้หน้าเราอ่ะแต่เรามองไม่เห็นกันเนีเพราะหนังมันหุ้มไว้เนี่ย ถ้าหนังมันใสมันก็จะเห็นกระโหลกขึ้นมาพวกเรามีกะโหลกมีคกโครงกระดูกกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกัน<ม>พราะเราไม่นึกถึงมันถ้าเรานึกบ่อยๆนึกบ่อยๆต่อไปมันก็จะนึกอยู่เรื่อยๆพอเจอใครก็นึกถึงกะโหลกเขานึกถึงคโครงกระดูกเขา<ม>นึกถึงลำไส้เขา<ม><ม>พอนึกถึงภาพเหล่านี้มันก็อารมณ์อยากอารมณ์ไข้มันก็หายไปหมด ก็อยู่เฉยๆได้ละความอยากได้สงบเบาสบายใจขออนุญาตค่ะถ้าถ้าถ้าเราอยากไปภาวนาแต่สามีและลูกมาไม่ไม่เต็มใจให้ไปเราจะมีบาปไหมค่ะใครบาปตัวตัวตัวดิฉันเองค่ะจะ่ไม่มา บาปตรงไหนเลยไปทำร้ายใครเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้บ้าก็โคก็เสียใจแล้วเราจะเป็นทุกข์เป็นลาภเราไม่ได้ไปทุบตีเขาเราไม่ได้ไปแตะต้องร่างกายเขาไปทําร้ายจิตใจเขาเข า, าเป็นคนทําร้ายตัวเขาเองด้วยความอยากของเขาเขาอยากไม่ให้เราไป เ, าเขาก็เลยทุกข์ถ้าเขาอยากให้เราไป เ, าเขาก็ไม่ทุกข์ไม่บาปตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บาปเสีย พระพุทเจ้าไปบวชนี่พ่อก็ร้องไห้แม <éma> ่เมียก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้เพราะพระพุทธเจ้าก็มีลูกมีเมียมีพ่อเหมือนกันมีแม่เลี้ยงก็ไม่มีใครอยากให้ท่านไปแล้วเวลาเราตายนี้บาปไหยสมมกับเราตายไปนี่บาปวะเราก็จากก็เหมือนกันเวลาตายกับเวลาไปปฏิบัติธรรมนี่มันต่างกันตรงไหน มันก็ไปเหมือนกันไม่ใช่มันก็จากกันเหมือนกันไม่ใช่จากว่าจากแบบไปปฏิบัติธรรมยังมีโอกาสมาเจอกันได้คิดถึงกันก็มาเยี่ยมกันได้แล้วถ้าเราปฏิบัติดีเราบรรลุเราก็สอนเขาได้ช่วยเขาได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าช่วยพ่อช่วยแม่เลี้ยงช่วยลูกช่วยภรรยาให้เป็นพระอรหันต์กันถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปบวชพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหรันต์ แล้วท่านจะมาสอนให้คนอื่นเป็นพาาาระอรหันได้เลยมันเหมือนไปโรงเรียนการไปบวช น, นี่เหมือนเหมือนไปโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนกินนอนจะไม่ออกจากบ้านสองลูปไปโรงเรียนกินนอนนี่บาปห่าส่งให้ไปเรียนหนังสือไปดัด น, นิสยัยใอยู่โรงเรียนกินนอนมีระเบียบมีวินยัยอยู่บ้านแล้วมันมันพ่อแม่รักไม่กล้าว่าไม่กล้า บังคับปล่อยให้ลูกทําอะไรตามนิสัยไม่ดีเสียนิ ส, ยส<า>ยัยก็เลยส่งไปโรงเรียนกินนอนโรงเรียนกินนอนเขามีกฎมีระเบียบมีอะไรต่างๆพอเรียนจบแล้วออกมาดีไหมเป็นคนดีกว่าอยู่กับพ่อกับแม่พ่อได้ไปฝึกขัด น, นิสยัยการไปบวชนี่ก็เหมือนกับไปฝึกขัด น, นิสัยไปเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี นิสัยที่ไม่รักษาศีลให้เป็นนิสัยที่รักษาศีลนิสัยที่หวงให้เป็นนิสัยที่ไม่หวงให้ทำทานเพื่อไม่ให้หวงไ ม, ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดให้ไปนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบใจเข้มแข็งใจเย็นใจมีเหตุมีผลไม่วู่ว่าไม่อารมณ์ฉุนเฉียวโลภโมโทสัน ได้มีปัญญาเพื่อจะได้ตัดความอยากตัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆมันเป็นการกระทําที่ดีไปเรียนหนังสือพระพุทธเจ้าเรียนแค่หกปีก็จบแล้วนะพอจบแล้วก็มาทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนคนอื่นต่อไปคนอื่นก็มารับมาเรียนได้รับประโยชน์จากท่านเป็นจํานวนมากมายพระอัันทั้งหมดในโลกที่มีอยู่ในในโลกนี้มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้แหละ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะมาเป็นผ้าอาหารกันได้หรอกเพราะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำให้ตนเองเป็นอาหารได้ด้วยด้วยด้วยด้วยตนเองต้องให้คนบอกวิธีคนที่จะบอกวิธีได้ก็คือพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวดันั้นการทำการกระทำต่างๆนี่มันจะติดไปกับเรา แล้ถ้าเราบรรลุพระอริยบุคคลท่านต่างๆนี้มันพอบรรลุแล้วมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่สูญละมันจะเป็นของเราถ้าสมมติบรรลบรรลุเป็นโสดาบันมันก็จะเป็นโสดาบันลวมันจะไม่กลับมาเป็นปู้โดยชนถ้าบรรลุขั้นสูงกว่าโสดาบันมันก็จะไม่กลับลงมาเป็นโสดาบันละมันจะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆพอเป็นพระอรหันต์มันก็จะไม่กลับมาเป็นขั้นที่ต่ำกว่า หรือกับคนที่เรียนจบปริญญาปริญญาตรีก็ต้องเป็นปริญญาตรีไปตลอดนะจะไม่กลับมาอยู่ในระดับมัธยมคนะานูนี่มันไม่มันไม่เสื่อมไปนะครับมที่ในชนี่นี่แปลว่าเียอนนบ น, น, น, น, นก็คือการพิจารณาธรรมเนี่ยธรรมะวิจัยวิจัยก็แปลว่าวิจัย สมาธิเราวิจัยอะไรใช่เราวิจัยเรื่องนี้วิจัยเรื่องนี้ก็ศึกษาเพื่อหาความจริงของเรื่องนั้นว่ามันเป็นอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรอันนี้ก็คือวิธรรมะวิจยโยก็คือการพิจารณาธรรมเป็นขั้นปัญญาต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนต้องมีสมาสมาธิอุเบกขาก่อนโพชฌงมันมีอยู่เจ็ดจงเลโพชฌงโคสติก่อนเลยสติสร้างข้าโตแล้วก็วิริยังอะไร ต่อมาวิริยะใช่ไหมปัสสัตทธิธรรมวิเชยะอันนี้ก็เป็นปเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราตัดความโลภโกรธหลงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ อ, อ๋อเวลาปฏิบัติมันก็ต้องเป็นขั้นศีลสมาธิปัญญาไปขั้นต้นก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อน ศีล5ศีล8พอรักษาศีลหศีล8ได้ก็ไปฝึกสติสติโพชฌงค์เจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิสมาธิก็จะได้อุเบกขาจากการนั่งสมาธิพอเรามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาเราก็สามารถที่ไปทาพิจารณาวิธรรมะได้ไปพิจารณาธรรมพิจารณาร่างกายเนี่ยร่างกายก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งร่างกายนี้เกิดมาแล้วไม่แค่ต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ย นี่ไม่เที่ยงก็หมดเวลาก็ไม่ให้เลยจะจนกว่าจะปล่อยร่างกายได้คือปล่อยให้มันตายได้ปล่อยให้มันเจ็บได้ปล่อยให้ตอนนี้เราปล่อยมันได้ไหมถึงเวลาจะตายเราเราปล่อยไหมนะเออตายก็ตายวะอ่านี้ได้หรือเป่าเจ็บก็เจ็บวะอันนี้มีอะไรนิดแต่น่อยก็กลัวเจ็บกันเมื่อเช้านี้บิดตะบาดฝนป่อยๆหน่อยยาโยมใส่บายก็กลัวฝนกโวจะเป็นหวัดกันละ กลเจ็บกันก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันกลตายกันมันต้องไม่กลัวเจ็บก็เจ็บตายก็ตายมันไม่ใช่ตัวเราอันนี้ปัญญามันจะแยกร่างกายออกจากใจมันจะรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเราอยู่ที่ใจใจเป็นผู้มาครอบครองร่างกายใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ แต่ใจใ ie, ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่กลับไปกลัวแทนร่างกายร่างกายมันไม่กลัวแล้วนะเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นร่างกายมันไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตายมันเหมือนต้นไม้ต้นไม้ไม่ไม่มีความรู้รู้ว่ามันเป็นอะไรใครไปฟันต้นไม้ต้นไม้มันก็ไม่เดือดร้อนแต่พอมีใจมาครอบครองก็เดือดร้อนถ้าเป็นต้นไม้ของเราเข้าไปฟันเราก็โกรธอะไรเราก็เดือดร้อนขึ้นมารู้วิธี เรือกอะไรก็เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานสี่ไงเอาร่างกายก่อนข้อสอบข้อแรกก็คือปล่อยวางร่างกายก่อนอันนี้สําหรับพระนะแต่ถ้าสำารับญาติโยมก็ต้องปล่อยวางราบยศสเสริญก่อนตอนนี้ยังติดราบยศเสริญอยู่หรือเปล่ายังติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องตัดไปก่อนเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข อย่างที่เราคุยกันตอนต้นครับของพวกนี้มันเป็นทุกข์แต่เราไปเห็นว่ามันเป็นสุขถึงต้องเอาธรรมวิจโยมาพิจารณาวิจัยดูว่ามันสุขจริงหรือทุกข์จริงกันแน่เรามองด้านเดียวเรามองเวลาที่เราได้เวลามันเจริญมันก็สุขไปสิใช่ไหมเราไม่มองด้านที่มันเสื่อมอะราภยศเสรเสริญสุขนี่มันมีทั้งเจริญมันมีทั้งเสื่อมเวลาเจริญก็ดีใจกันมีความสุขกัน เวลามันเสื่อมก็ร้องห่มร้องไห้กันไม่เห็นตอนที่มันเสื่อมไม่เห็นตอนที่มันทุกข์เห็นแต่ตอนที่มันสุขงั้นเราต้องมามองให้เห็นตอนที่มันเสื่อมตอนที่มันทุกข์ก็เราจะได้กลัวมันจะไม่อยากไปยุ่งกับมันไม่อยากจะมีมันปล่อยวางมันคนที่เห็นราดยศสรรเสริญสุขว่าเป็นทุกข์เขาก็เลยไปบวชกันไงเข้าใจไหมอ่า ปล่อยวางขั้นที่1ก่อนพอ ป, ปล่อยวางของภายนอกร่างกายแล้วขั้นสองก็มาปล่อยร่างกายในสติปัฏฐานนี่ถ้ามาปล่อยร่างกายกับเวทนาขั้นต่อไปะร่างกายก็คือเนี่ยต้องยอมยอมรับว่ามันต้องแก่มันต้องตายส่วนเวทนาก็คือมันต้องเจ็บต้องมีทุกขเวทนาเวทนามันมี3ชนิดมีสุขมีทุกขไม่สุขไม่ทุก ข, ขแต่เราชอบเอาชนิดเดียวชอบเอาสุขอย่างเดียว พอไม่สุขไม่ทุกข์ก็วุ่นวอยแล้วอยากให้มันสุขแล้วพอมันทุกข์ก็อยากจะให้มันไม่ทุกข์แล้วเพราะเกิดความอยากก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจชั้นหนึ่งเนี่ยที่เราปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ในใจด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตคืออารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตมันนี่คือธรรมะต่างๆ ท, ท, ท, ที่พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ในอนิจจงทุกขังอนัตตา ถ้าเราก็จะปล่อยมันได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นระเบิดเวลาเราจะเราจะอยู่กับมันไหมวันดีเกิดดีมันระเบิดตูมตามขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เป็นเหมือนระเบิดเวลาเชืช่อไหม<ช> เ, เกิดเวลามันดับไปเสื่อมไปเมื่อร้องหอบร้องห้กันตั้งนั้นเลยมีอะไรเกิต้องเสือเอ่อมมีตำแหน่งอยู่ดีๆคําสั่งโยกย้ายมาแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็เหมือนระเบิดเวลาเกิดขึ้นละ หรือทำงานอยู่ดีๆบริษัทเจ้งปิดอย่างนี้หรือไปหาหมอหมอออกเป็นมะเร็งอย่างนี้มันเป็นระเบิดเวลารอเราอยู่แต่เราไม่มองมันอย่างนั้นเราคิดว่าโอโ้โหเป็นของขวัญเป็นกล่องของขวัญของขวัญวันปีใหม่กั น, นกอดมันให้มันให้ความสุขกับเราตอนที่มันมีมันจเจริญเนี่ย แต่เวลามันเสื่อมนี่ยมันแยกกระโดดตึกตายกันใช่ไหมสมัยม <Okay. S 1> มนี้คนที่อายุคนที่แกแล้วเป็นอะไรไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันไม่อยากจะอยู่กัน <Okay. S 1> เพราะเขาไม่มีความสุขสำรองไม่มีความสุขทดแทนถ้าเขาฝึกสมาธิเป็นเวลาเขาใช้ร่างกายหาความสุขไม่ได้เขาก็ยังใช้ สมาธิมาทดแทนได้เหมือนสมัยนี้รถเขามีใช้น้ำมันกับแก๊สใช่ไห ม, มถ้าน้ำมันแพงก็ใช้แก๊สแทนได้แต่ถ้ามีน้ามันใช้น้ำมันอย่างเดียวถ้าไม่มีน้ำมันขายก็วิ่งไม่ได้แต่ถ้าไม่มีน้ำมันขายแต่มีแก๊สขายก็ยังไปเติมแก๊สได้ตอนนี้เราอาศัยร่างกายเป็นที่ที่สร้างความสุขให้กับเรา พอร่างกายไม่สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้เราก็ทุกข์กันอยากจะฆ่าตัวตายกันแต่ถ้าเรามาฝึกสร้างความสุขอีกวิธีด้วยการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้ต่อไปเราไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้อย่างพวกนักบวชนี่เขาไม่ได้ใช้ร่างกายหาความสุขกัน mm hmm. ใช่ mm hmm. เขาใช้สมาธิให้ความสุขกันใช้ปัญญาตัดความอยากถ้าตัดความอยากได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาเอง ความทุกข์มันเกิดจากความอยากพอเราตัดความอยากได้ความทุกข์หายไปความสุขมันก็กลับมาเหมือนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดพอรักษาใลุกล่างกายให้หายเจ็บไข้ได้ปวดมันร่างกายก็สุขสบายขึ้นมาใจก็เหมือนกันใจตอนนี้มันทุกข์เพราะความอยากถ้าเราใช้ปัญญาใช้สมาธิมาทําลายความอยากได้พอไม่มีความอยากใจก็หายทุกข์ใจก็สบาย น่ถึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมารักษาศีลกันมานั่งสมาธิกันมาเจริญสติกันแล้วพอได้สมาธิก็มาใช้ปัญญาพิจารณาให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราไปอยากอยากด้วยอยากไปอยากอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากหรอกเพราะอยากของเรามันต้องข้ามกับความเป็นจริงถ้าอยากจะให้มันสมใจอยากต้องอยากแก่อยากเจ็บอยากตา ย, ยานี้แล้วมันจะไม่ผิดหวัง S <S <S อะไรนะเันจะไม่ทุกข์เนที่มันทุกข์เพราะมันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็ผิดหวังเลย เ, เวลาอยากได้อะไรดีใจมเห็อยากได้แฟนก็ได้แฟนมาก็ดีใจกันใช่ไมเพรงั้นก็อยากได้ความแก่สิเวลาแก่จะได้ดีใจกันอยากได้ความเจ็บเวลาไม่สบายจะได้ดีใจอยากได้ความตายเวลาตายจะได้ดีใจกันไม่ดีกว่า ต้องมองความจริงนี่เราไม่ยอมมองความจริงกันนะคำว่าตายนี้ไม่ให้ใช้ในบ้านเลยบางคนนะห้ามพูดคำว่าตายเพียงแต่พูดเท่านั้นยังพูดไม่ได้เลยเห็นไหมขนณ ะ, ะนคนตายนี่มีตัวอื่นนิพพานบ้างสวร ร, วรค์บ้างสวรรค์โคตรบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มียอมใช้คำว่าตายกันทัน้งแข่งคำว่าตายนี่มันมันแสบใจมาก คนที่ไม่เข้าใจาศาสนาพูทธก็เลยคิดวศาสาศนาพุทนี้เป็นาศาสนาที่สอนเรื่องเรื่องอะไรมุมมุมมุมลบกันชอบสอนมุมลบไม่มองไม่สอนมุมบวกบวกมุมบวกเนี่ยะไม่คิดไปในทางบวกเชิงบวกชอบไปคิดในเชิงลบก็ต้องคิดแต่เพราะว่ามันเชิงลบมันจะทําให้เราเได้เห็นความจริง แเราจะได้ไม่ไม่มาสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองด้วยการหลอกตัวเราเองว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆพอเรารู้ว่าเราจะต้องตายเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้สิทำใจให้สงบปัดไปหัดนั่งสมาธิกันพอถึงเวลาตายก็พุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่สงบมันก็จะทุกข์แล้วมันก็ตายเหมือนกัน ตายแบบสงบหรือตายแบบไม่สงบตายแบบสบายหรือตายแบบทุกข์ก็มีเท่านี้แหละแต่เราไม่ได้ตายไม่ต้องไปกลัวแล้วเราก็มาโผล่มาได้ร่างกายใหม่เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปเดี๋ยวไม่นานก็มาเกิดใหม่ก็แที่มาเกิดเพราะยังมีความยาอยากอยู่ยังอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่แต่ถ้าเราตัดความยาอยากที่หาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วเราก็ไม่มาเกิดใหม่ งั้นเป้าหมายของการปฏิบัติทำทางก็ดีรักษาศีลก็ดีนั่งสมาธิก็ดีเจริญปัญญาก็ดีก็เพื่อให้มาหยุดความอยากนี้เท่านั้น อ, องพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอะไรไห ม, ไมอยากถามหะาาาแฟา แ, แฟนเสียไปตั้งปีกว่าทําไมยังทําใจไม่ได้นะก <c oughs> ็ยังไปคิดถึงเขาด้อย่าไปคิดถึงเขาสิ อย่าไปคิดถึงเขาหรือจะจะคิดก็คิดว่าตอนนี้เขากลายเป็นขี้เท่าไปแล้วอย่าไปคิดถึงภาพลวงภาพหลอกที่เราไปเพอ้อฝันคิดมันเป็นภาพหลอกภาพลวงมันไม่ใช่เป็นภาพจริงภาพจริงมันไม่มีแล้ววันที่เราเคยไปเที่ยวกันที่นั่นที่นี่วันที่เรามีความสุขกันตรงนั้นตรงนี้มันไม่มีแล้วล้วไปหลอกตัวเราเอง ทำให้เราทุกข์ไปโดยใช่เหตุถ้าอยากจะดูความจริงก็ไปดูถ้าเก็บถ้าเก็บกะดูเก็บขี้เทาไว้ก็ไปนั่งดูกระดูกนี่เธอเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้แหละดูปัจจุบันดูความจริงวิธีที่จะไม่ทุกข์ก็คือนี่อาจหยุดความคิดวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องมีความคิดอื่นมามา มาคิดแทนก็คือให้เราคิดพุทโธพุโทโธไปอันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องไปคิดถึงแฟนเวลาเราคิดถึงแฟนแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปพอพุโทโธไปสักไม่นานเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วเดี๋ยวสักคิดอีกก็พุโทโธอีกมันก็เหมือนกับรถนะถ้ารถมันไหลแล้วก็เหยียบเบรคเหยียบเบรคมันก็ yani. <oops. S 2> น ห, กหยุดพอมันไหลอีกแล้วก็เหยียบอีกพอเราปล่อยเบรคแล้วมันไหลแล้วก็เหยียบอีก พอเราพูดโทรพูดโทรแล้วเราลืมเรื่องแฟนไปแล้วแล้วก็หยุดพูดโทรเดี๋ยวเรากลับไปคิดพดถึงคิดถึงแฟนใหม่แล้วก็พูดโทรใหม่ทํานี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดเราปล่อยให้ใจคิดเองเราชอบคิดคิดถึงเขาคิดแล้วก็เศร้าโศกเสียใจเราไม่รู้จักควบคุมความคิดกัน เป้าหมายของพุทธศาสนานีอยู่ตรงที่ให้เราค ข, ขั้นแรกให้เราหยุดความคิดขั้นที่สองให้บังคับความคิดให้คิดในทางตามความเป็นจริงแล้วมันจะไม่ทําให้ใจเราทุกข์ตอนนี้เราคิดไปนในทางความาาค ว, า ม, ความไม่จริงกันคนตายไปแล้วหายไปแล้วยังคิดอยู่นะว่ายังอยู่ใช่ไหม สตินี้สําคัญที่สุดในการปฏิบัติเพราะสตินี้เป็นผู้ที่จะหยุดความคิดได้แล้วเป็นผู้ที่จะดึงให้ไปคิดในทางที่ถูกได้ที่เราไม่รู้ทางที่ถูกเราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าผู้รู้ว่าจะคิดไปในทางไหนให้ถึงเป็นทางที่ถูกพระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดไปในทางอสุภะถ้าคิดถึงแฟนค่าคิดถึงอสุภะถ้าคิดถึงร่างกายทีส่สิ่งต่างๆให้คิดว่ามไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเรามันต้องจากเราไปสักวันหนึ่งถ้าเราไปอยากให้อยู่กับเราเราก็จะทุกข์เราต้องปล่อยล้าอย่าไปยึดอย่าไปติดเขาไปก็ให้เขาไปไปแล้วก็ลืมไปซะอย่าไปคิดถึงกันให้เสียเวลาเปล่าๆที่มันต้องใช้สติมากที่พวกเราไม่ค่อยใช้กัน ฝึกสติไม่เป็นกันสร้างสติไม่เป็นกันไม่ยอมพูดโธกันสอนมาไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วบอกใหพูดโทพูดโธฟังมันไปกลับมาก็ยังไม่พูดโทรอย่างนี้ลองพูดโทดูทั้งวันดูสักวันวนึงแล้วดูจะเห็นประโยชน์จะอันใหญ่หลวจะเกิดขึ้นอยู่กับพูดโทอย่างเดียวเอาวันที่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องใช้ความคิดวันพักผ่อนมัน แล้วก็ไปหาที่อยู่คนเดียวลองนั่งพุโทโธพุธโทโธยืนพุโทโธพุธโทโธเดินพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงใครแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายเวลานั่งจิต ก, ก็จะดิ่งเข้าสู่สมาธิได้นะแล้วจะมีความสุขมากแล้วจะรู้ว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ความคิดนี่เองพอหยุดคิดแล้วปัญหาทั้งหลายก็หายไปหมด ทำนาประนัติก็ได้ได้ถ้าใช้พุทโธไม่ได้ก็ใช้ใช้ลมหายใจแต่ลมหายใจมันจะใช้ได้เฉพาะเวลานั่งเท่านั้นเวลาอยู่ในเรียบทื่อมันดูยากแต่ถ้าดูได้ก็ดูไปถ้าเดินไปดูลมได้ก็ดูไปทําอะไรก็ไปแล้วดูลมได้ก็ทําไปท่านไม่สอนนะพระเจ้าสอนเฉพาะเวลานั่งเวลานั่งให้ดูลมแต่เวลาทําอะไรให้ดูร่างกายแทน ดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทำอะไรอยู่กําลังยกมือขึ้นกําลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเนี่ยให้เข้าดูอยู่ร่างกายทุกเอเรียปวยของการเคลื่อนไห ว, วเรียกว่าเจาริญสติอ่าเจริญสติก็ดูลมก็เจริญสติอานาปนสติอนาปนะปลว่าลมเข้าลมออกเดดูร่างกายก็เรียกว่ากายากตาสติดูร่างกาย อันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อไม่ให้ใจคิดเนี่ยถ้าเราดูแต่ร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าไม่ได้ดูร่างกายแล้วดูความคิดก็ได้ไม่ได้หล้วดูความคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆเลยต้องการหยุดความคิดต้องการไม่ให้มันคิดถ้าดูความคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆเี่คิดไปมันก็ไม่สงบเลยแล้วเดี๋ยวก็ร้องผมร้องไห้ขึ้นมาไปคิดถึงแฟนเขา ไปคิดถึงนี่ข้าวก็วุ่นวายขึ้นมาอย่างี้เดี๋ยวคิดถึงเจ้านี่คิดถึงปัญหาต่างๆขึ้นมาก็ใจก็วิ่งวุ่นวายไปใหญ่ดูความคิดไม่ได้ไม่ได้สอนให้ดูความคิดแต่ดูลงดูดู่างกายดูอาการสามสิบสองนี่ดูได้ดูซากศพสิบชนิดนี่ดูได้เพราะการดูพวกนี้แล้วทำให้ใจสงบ ต, ตามดูความคิดมันก็ ม, นกมันก็คิดไปสบายคิดไปเรื่อยคิดแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งขึ้นมาคิดเดี๋ยวก็วิตกกังวลห่วงใยคิดแล้วก็อยากพออยากพวกก็อยู่เฉยๆไม่ได้พออยากจะดื่มอะไรก็ต้องไปทำคือหาอะไรมาดื่มนะแทนที่จะมาภาวนาก็เลยไปไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิจกายแทนนะฉะนั้นต้องใช้พุโทโธใช้ร่างกายเราดูร่างกาย เวลาเคลื่อนไหวเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้คิดคิดแล้วความอยากมันจะเกิดขึ้นความโลภมันจะเกิดขึ้นความมุ่นวายใจจะเกิดขึ้นถ้าไม่ผ่านขั้นนี้ไปก็อย่าไปพูดถึงปัญญาเลยปัญญานี่มันต้องดึงมาคิดมันถึงจะคิด ปัญญามันเรียนเรียนหนังสือธรรมดาเด็กมันไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะมันไปแล้วมันต้องคิดตามที่ครูเขาสอนให้คิดใช่ไหมมันชอบคิดไปในทางสนุกสนานเอหามากกว่าคิดเที่ยวคิดเล่นกันพอไปโรงเรียนต้องมาคิดเรื่องเรื่องวิชาการต่างๆมันต้องมีสมาธิมีสติมีกําลังมากกว่าคนที่มีสติดีถึงเรียนเก่งไงเพราะว่า อ่านก็เข้าใจเวลาฟังก็เข้าใจเวลาสอบก็ตอบได้อตถ้าคนไม่มีสติใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลากูสอนอะไรไม่เข้าใจเลยอพอไปสอบก็ไม่เข้าทำข้อสอบไม่ได้แต่ ว, ว่าความรู้ทางโลกมันก็ยังเป็นความรู้ที่หลอกเราอยู่ไม่ใช่เป็นความรู้จริงมันทำให้เราหลงต่อไปในก ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเนี่ยเขามไม่รอดเือมไม่รอดจากความทุกข์ไม่ใช่รอดจากอะไรแต่ความรู้ทางวิศาสตร์ศาสนาเนี่ยทําให้เรารอดรอดพ้นจากความทุกข์ได้เอาแล้วจะให้พรก่อนช่วงแรกนี้แล้วถ้าใครจะอยู่คุยต่อก็อยู่ได้ หลายวันในกันที่ท่านพ่อพูดเรื่องภาพสี่แล้วก็ผู้รู้ค่ะทะนี้ลูกก็เกิดมาลูกก็เข้าใจว่าอลูกอยากให้ท่านพ่ออธิบายแล้วแม่ตานีกับแม่ตาเคียนเนี่ยจริงๆแล้วมีวิญญาณไหมคะหรือว่าย่งไเป็นเรื่องเขาโผกันขึ้นมาทั้งนั้นคุณเจ้ามีแค่เนี่ยมีแต่มนุษย์แล้วก็มี ผู้ที่ไม่มีร่างกายก็มีพวกเทพพวกผีอะไรนี่ไปเขาคือเป็นพระเทวดาใช่ไหมครับเป็นเทวดาชั้นต่างๆเป็นผีชั้นต่างๆพระพุทธเจ้าอบอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปพึ่งเขาให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คะคำถามจากคุณปาริชาติ เวลาภาวนาพุโทโธบางทีพุโทโธมันหายกลายเป็นเสียงสวดมนต์บทที่เราชอบเข้ามาในหัวสั้นบ้างยาวบ้างเราก็เผลอสวดตามพอรู้ตัวก็กลับมาพุโทโธใหม่แต่มันเป็นบ่อยอย่างนี้เราเผลอไม่มีสติหรือเปล่าคะก็ไม่มีสติมันถึงไม่สามารถอยู่กับพุโทโธได้อย่างเดียวพยายามให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปถ้ามันไปก็ดึงกลับมาใหม่ใหม่ๆ ม, มันก็อย่างเนี้ยมันเหมือนชักกระเยอะกัน ต่อไปถ้าเราเดินกลับมาบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ไปคำถามจากคุณโสพิษตั้งใจว่าจะสร้างที่พักให้กับพระสงฆ์ที่ทุดงผ่านมาพักเพราะมีที่ดินที่ทำไร่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเล็กๆลูกคิดว่าถ้ามีพระมาพักออกบิณฑบาตได้ระยะทางประมาณหนึ่งสองกิโลเมตรเป็นความอยากหรือเปล่าคะแต่เป็นความตั้งใจค่ะเคยความอยากมันมี ฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีถ้าความอยากฝ่ายดีก็ทำได้เช่นอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี้เป็นความอยากฝ่ายดีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากได้นู่นได้นี่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นความอยากที่ไม่ดีเพราะมันเป็นโทษแก่จิตใจอยากแล้วมันจะทาให้ใจทุกข์แต่ถ้าอยากทาบุญอยางรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี้มันทาให้ใจสุข คำถามจากคุณอักษรลูกภาวนามาสามปีแล้วทุกวันก่อนนอนแต่ไม่เคยจิตรวมเลยถ้าจิตไม่รวมแบบนี้ยังพอจะได้กุศลที่เพียรปฏิบัติหรือไม่เจ้าคะก็ได้เท่าที่เราทำได้ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเหมือนกับเรียนหนังสืออาจจะได้ได้ตามที่เราทำานยทำได้มากน้อยก็ได้เท่าเท่าที่ผลมันให้เราคาถามจากคุณนายขนมต้มนะครับ กับผมไม่เข้าใจคําว่าปัญญากับสัญญาความจําว่าทั้งสองคำนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับในทางธรรมและการที่จะทําปัญญาให้เกิดขึ้นควรทําได้อย่างไรแล้วเมื่อเกิดปัญญาแล้วควรใช้ปัญญาอย่างไรครับก็สัญญาคือความจำไงเช่นเราจำชื่อคนนั้นจําชื่อคนนี้เราเรียกว่าสัญญา ถ้าเราจำไม่ได้ก็แสดงว่าเราลืมก็สัญญาก็เสื่อมไปความจำก็เสื่อมไปสัญญาก็มีจริลมีเสื่อมได้จำได้แล้วก็ลืมได้อย่างนี้เรียกว่าสรราัญญาส่วนปัญญานี่ก็คือความเห็นตรงกับความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาเห็นเห็น <he Shiva, S 2> ว่าสุนัขเป็นสุนัขอย่างเงี้ย <Ricardo. S 2> เรียกว่าปัญญาเห็นว่าแมวเป็นแมวอย่างเงี้ยเป็นปัญญา แต่ถ้าไปเห็นสุนัขเป็นแมวอนี้มันเป็นความหลงไม่ใช่เป็นปัญญาการที่เราต้องการเห็นความจริงเพื่อเราจะได้มาหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความหลงเช่นเราไปเช่นร่างกายเนี่ยเราไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราอันนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญจากพ่อแม่เรารับของขวัญมา แล้วเดี๋ยวต่อไปของขวัญ น, นี้ก็จะต้องอเสื่อมไปหมดสภาพไปหรือร่างกายนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องตายไปเวลาตายไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วแล้เราต้องมาสอนใจใหม่ว่าร่างกายนี้มันเป็นของเราชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวรมันจะต้องตายจากเราไปอันนี้เรียกว่าปัญญามาเรียนรู้ความจริงเพื่อที่จะได้แก้ความหลงที่ไปยึติดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะมันหลงแล้วไปยึดติดแล้วมันทำให้เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันไม่จากเราไปนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเหมือนกับของที่เรายืมมาเียเรา ร, รู้ว่าต้องไปคืนเขาเวลาถึงเวลาคืนเขาเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเป็นของของยืมมาเป็นของของเขาแต่ถ้าเราไปยืมเข้ามาแล้วลืมไปคิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่อยากคืนเขาพอเขามาทวงเราก็จะไม่ยอมให้เขา หรือถ้าเข้ า, เาไปเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจเราต้องสอนใจให้ดูความเป็นจริงของสิ่งต่างๆอย่างที่ได้คุยกันมาตลอดเนี่ยความเป็นจริงของสิ่งต่างๆก็คือมันไม่เที่ยงอย่าไปคิดว่ามันเที่ยงเราชอบไปคิดว่ามันเที่ยงได้อะไรมารักวคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะอยู่อย่างนั้นไปกับเราไปได้เรื่อยมันต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปแล้วมีการหมดไป มันมีการเกิดมีการดับเนี่ยมีการเจริญมีการเสื่อมอย่างนี้ว่าไม่เที่ยงถ้าเราถ้าเรารู้ว่าไม่เที่ยงเราจะได้ไม่เสียใจเวลามันเสื่อมถ้าเรารู้ว่ามันจะเสื่อมนี่เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วอย่างผ้าทิศนี้เรารู้ใช่ไหมมันขึ้นแล้วเดี๋ยวมันต้องตกเราก็เลยไม่ไปหลงไม่อยากให้มันตกตกก็ปล่อยมันตกไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราเกิดผ้าทิศมัน เราอยากให้มันไม่ตกนี่เวลามันตกเราก็จะทุกข์ได้หรือฝนฟ้าอากาศนี้ก็เหมือนกันเวลาเราไม่เราอยากให้ฝนไม่ตกนี่พอมันตกเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามองว่าฝนมันเป็นของที่เราไปสั่งมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้มันจะตกมันก็ต้องตกถ้าเราเฉยเฉยไม่ไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ทุกข์กับมันให้เราปล่อยวางทุกอย่างให้เฉยเฉยกับทุกอย่างอย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปถือว่าเป็นของเราอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆเวลามันจะไปก็ให้มันไปแล้วเราจะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาปัญญาทางาศาสนานี่ให้มองอยู่สามอย่างนี่มองว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราเท่านั้นเองคำ ถ, ถามจากคุณจักกะพง ดวงจิตที่ฆ่าตัวตายขณะจะตายจิตดวงนี้จะไปทุกขติภูมิแน่นอนใช่ไหมครับแล้วต้องไปรับผลกรรมการฆ่าตัวตายใช่ไหมครับก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นเวลาฆ่าคนอื่นมันก็จิตมันก็จะร้อนจะทุกขทรมารย์ใจขึ้นมาร้อนก็เป็นนรกขึ้นมาใจร้อนนี่เรียว่าใจนัเป็นนรกแล้วถ้าใจเย็นใจก็เป็นสวรรค์น คำถามจากคุณวีรพันธ์วันก่อนฟังพระอาจารย์สอนเรื่องธาตุทั้งหต้นไม้มี4ี่ธาตุคนและสัตว์เบลฉานมีธาตุลวนรู้เป็นห้าธาตุอยากทราบว่าเทวดาและสัตว์นรกประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างครับถ้ารู้ธาตุเดียวก็ไม่มีธาตุสีไม่มีร่างกายเทวดามันไม่มีร่างกายก็มีแต่ธาตุรู้ธาตุตัวเดียว เร่องพวกผีพวกผูพก้พวกที่ไปตกนะ้ำร่องนี้ก็มีธาตุเดียวเหมือนกันงแต่ว่ามันเป็นธาตุร้อนทุกทรมานถ้าเป็นเทเ ม, มันก็เป็นธาตุเย็นมีความสุขแต่มันก็มีตัวเดียวมีธาตุรู้ตัวเดียวก็เปี่ยนใจคำถามจากคุณหนูข้อที่หนึ่งเคยได้ยินคนเล่ามาว่าคนที่ตายแล้วฟื้นมาเล่าว่าได้ไปสวรรค์มาแล้วได้เห็นสิ่งของต่างๆที่ตนเคยทําบุญไว้รออยู่ หมายความว่าทาบุญด้วยสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะตามหลักก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปได้ในตอนที่เราเปตายได้ตอนที่เรากลับมาเกิดใหม่เราเคยทาบุญแล้วเรากลับมาเดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งที่เราทาไปทาเงินทองไปเดี๋ยวกลับมาก็จะมีเงินทองกลับมาหาเราหรือว่าเวลาที่ตายปมันอาจจะมันอาจจะได้แต่เป็นเป็นเงินทองใน ในในเขาเรียกว่าอะไรในในมิติของโลกทิพย์มันก็เป็นแบบเป็นเหมือนจินตนาการคำถามจากคุณกะมลรัตน์โยมนั่งสมาธิแล้วเข้าพาวังตลอดเลยทำอย่างไรดีเจ้าคะระหว่างวันโยมพยายามเจริญสติเวลาที่ว่างแล้วไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเจ้าคะ่ะก็ไม่ราบว่าคำว่าพาวังนี่แปลว่าแปลว่าอะไร ว่ามันมีสองผวางผวังหลับกับผวังสมาธิถ้าภวังสมาธิก็ดีแต่ถ้าเป็นภวังหลับก็แสดงว่าไม่มีสติเผลอสติพอเผลอสติจิตันก็จะสับสงบไปเรียกว่าผวังหลับตถ้ามีสติมันจิตก็จะสงบเป็นผวังสมาธิไปถ้าเป็นผวังสมาธิก็พยายามรักษาพยายามเจริญบ่อยๆให้มันชนานาญ ถ้าเป็นาวังหลับก็ลุกขึ้นมาเดินดีกว่าอย่าอย่าไปนั่งนั่งแล้วหลับก็จะไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์คำถามจากคุณสิริวัณ น, น้อยใจครูบาอาจารย์ท่านดุเราแต่เราก็อดคิดน้อยใจไม่ได้เคยได้ยินพระวัดหลวงตาน้อยใจจนสึกคิดว่าเราได้แค่นี้ก็บุญแล้วชาตินี้ขอคำแนะนำได้ค่ะก็ไม่รู้จะแนะนำาไงค การดูดาว่าเก่ามันเป็นการสั่งสอนคนจะดีใจว่าเรามารมาศึกษากับท่านนะท่านเมตตาดูดาว่าเก่าวตักเตือนเราถ้าไปคิดน้อยใจมันก็เป็นความคิดของกิเลสคือกิเลส ช, ชอบให้เอาเก่าใจให้หลอกไม่ดีก็บอกว่าดีอย่างนี้แล้วเราจะไปได้ดิบได้ดียังไงไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีพอบอกว่าไม่ดีก็เสียใจน้อยใจ แล้ามาเรียนทําไมมาศึกษาทําไมมาศึกษาเพื่อเอาความความหลอกหรือเอาความจริงถ้าเอาความจริงก็ต้องยินดีฟังคําดุด่าว่าเก่าวตักเตือนเพราะว่ามันเป็นการกระทําไม่ถูกท่านก็ต้องว่าเก่าวตักเตือนเป็นธรรมดาจะได้จะได้รู้สึกตัวว่าเรากําลังทําไม่ดีเราต้องรีบแก้ไขแล้วเราก็จะได้ดีได้ต่อไปนั้นการดุด่าว่าเก่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์ น, นี้เป็นเหมือนกับ ให้น้ำทิพน้ามนให้ของวิเศษที่จะปั้นตัวเราจากคนที่ไม่ดีให้กลายเป็นคนดีคนจะกราบท่านแทนที่จะมาน้อยอกน้อยใจที่ท่านยังอุตส่าห์เมตตามาดู ด, ดาา่าว่าเก่าตักเตือนเราแสดงว่าท่านมีความห่วงใยเราท่านไม่ได้ดูดาา่าว่าเล่าแบบพวกเราพวเราดูด่าว่ากก่าเพราะความโกรธความเกลียดความอิจฉารือเสยีย แต่ท่านว่าว่าเก่าตักเตือนด้วยความเมตตาด้วยความการุณาหมดแล้วนะหมดแล้าพี่จ๋า